สปัจจุปันนาตีตะวนันว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและอดีตอนุโลมบุคคลจะขายยตนะมมลกไนหอยห้1อนุโลมปุจชาจากขายยตนะของบุคคลใดกำลังดับโสตายตนะของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมพิจาชนาใช่ปฏิโดมปุจชาโสตายตนะของบุคคลใดเคยดับ จะขายาตนะของบุคคลนั้นกําลังดับใช่ไหมวิส Trans ัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้มีจะขู่เกิดไม่ได้กําลังจุติโสตายาตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่จะขายตนะไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้มีจะขู่เกิดได้กําลังจุติโสตายาตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและจะขายาตนะก็กําลังดับอนุโลมปุจฉา จกักระยตนะของบุคคลใดกําลังดับคานายตนะละรูปายตนะละมานายตนะละธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดเคยดับจกักระยตนะของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้มีจักรขู่เกิดไม่ได้กําลังจุติ ธัรมายาตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่จักขายาตนะไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้มีจักรคู่เกิดได้กําลังจุติธรรมายาตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและจักขายาตนะก็กําลังดับ152อนุโลมปุจฉาคานายาตนะของบุคคลใดกําลังดับรูปลายาตนะละมนายาตนะละธรรมายาตนะของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิตัชนาใช่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 หนึงร้ออนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดกําลังดับมานายตนะละธรรมายตนะของบุคคล น, นั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดเคยดับรูปายตนะของบุคคล น, นั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กําลังจุติ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 จักขายยตนะมูลกนัยหนึ่งอนุโลมปุจฉาจะขายยตนะในภูมิใดกำลังดับละอนุโลมปุบคลกาตจะขายยตนะมูลกนัยหน6อนุโลมปุจฉาจะขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิจะขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่โสตายัตนะไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจะกขู่เกิดได้กำลังจุติจะขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและโสตายัตนะก็เคยดับปฏิโดมปุจฉาโสตายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับ จักระยตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวโการภูมิและบุคคลผู้มีจักรูเกิดไม่ได้กำลังจุติจากกามาวจรภูมิโสตายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่จักระยตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีจักรูเกิดได้กำลังจุติโสตายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและจะักระยตนะก็กำลังดับ อนุลมปุจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับคานายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากรู ป, ปาวจรภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่คานายัตนะไม่เคยดับบุคคลผู้มีจกักรคเกิดได้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ จักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและคานายตนะก็เคยดับปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้มีจักรคเกิดไม่ได้กำลังจุติจากกามาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับ แต่จะขายัตนะไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้มีจ้กครเกิดได้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิคานายัตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและจะขายัตนะก็กําลังดับอนุโลมปุชชจฉาจะขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับรูปายัตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทาวาตภูมิจะขายัตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่รูปายัตนะไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจกักขุเกิดได้กำลังจุติจะขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและรูปายัตนะก็เคยดับปฏ拜拜บิโมปุจฉารูปายัตนาของบุคคลใดในภูมิดเคยดับ จะขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิบุคคลผู้มีจะขู่เกิดไม่ได้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ im, และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิรูปลายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่จะขายัตนะไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้มีจะขู่เกิดได้กําลังจุติ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและจักขายตนะก็ ก, คคใ δ, ใกำลังดับอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกํกำลังดับมนาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจารนะบุคคลผู้กาลังปรินิพพานในสุทาวาตภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่มนาตนะไม่เคยดับ บุคคลนอกนี้ผู้มีจักกูเกิดได้กําลังจุติจักขายัตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและมานายัตนะก็เคยดับปฏิโลมปุจฉามนายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับจักขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิบุคคลผู้มีจักกูเกิดไม่ได้กําลังจุติจากกามวาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติ Ор. อ, ยอยู่ในอรูปภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่าน sí ั้นในภูมิน evet> ั้นเคยดับแต่จักขายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีจักกูเกิดได้กำลังจุติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและจักขายตนะก็กำลังดับอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูม umm ินั้นก็เคยดับใช่ไหม วิจัชนาบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในสุทาวาตภูมิจักขายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่ธรรมายตนะไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจกักรูเกิดได้กําลังจุติจักขายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและธรรมายตนะก็เคยดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับ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 คานายตนะมูลกไนหนึ่งอยห้าอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิ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 และบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปราวจรภูมิและอะรูปราวจรภูมิมนายตระนของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่คานายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังจุติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและคานายตระนก็กำลังดับอนุโลมปุจชา คานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กาลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับ แต่คานายตนะไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและคานายตนะก็กําลังดับคานายตนะมูลกนัจบรูปายตนะมูลกไัยหนึ่งอนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับ มนายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัรนาบุคคลผู้กําลังปรินิพานในสุทาวาตภูมิและบุคคลผู้กําลังจุติจากอัญฉรัตตภูมิรูปลายัตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่มนายัตนะไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้กําลังจุติจากปัญจโวการภูมิรูปลายัตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและมนายัตนะก็เคยดับ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 มนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและรูปายตนะก็กําลังดับอนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิตัจฉนาบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในตุทาวาตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่ธรรมายตนะไม่เคยดับ บุคคลนอกนี people, tools, er problems, Airbnb, ้ผู้มีร <uana> ูปเกิดได้กำลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและธรามายตนะก็เคยดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจศรณาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กาลังจุติ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 มนายัตนาของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับธรรมายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมพิจารณาบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในสุธาวาสภูมิมนายัตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่ธรรมายัตนะไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจิตเกิดได้กําลังจุติมนายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและธรรมายัตนะก็เคยดับปฏิโลมปุจฉา ธรรมายตนะของบุคคลใดในภูม pues. ิใดเคยดับมนาายตนะของบุคคลนั้นในปุ მ นั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจติชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบ pues. <fulness Board. S 2> ัติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในปุ მ นั้นเคยดับแต่มนาายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีจิตเกิดได้กำลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในปุ მ นั้นเคยดับและมนาายตนะก็กำลังดับปัจจินีกับบุคคล จักขายยตนาโมลกนานึ่งร้อย160อนุโลมปุ Antarctica. จฉาจักขายยตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับโสต า, ายยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเคยดับปฏิโลมปุจฉาโสต า, ายยตนะของบุคคลใดไม่เคยดับจักขายยตนะ ข, ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับมีไหมวิจัชนาไม่มีอนุโลมปุจฉา จักขายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับคานายัตนะและรูปายัตนะและมนายตนะและธรรมายัตนะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเคยดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายัตนะของบุคคลใดไม่เคยดับจักขายัตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับมีไหมวิจัชนาไม่มีอนุโลมปุจฉา คานายตนะและรูปายตนะและอนุโลมปุจฉามานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาเคยดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดไม่เคยดับมานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับมีไหมวิจัดชนาไม่มีจักขายายตนะมูลกนัย จบปัจจนีกัโอกาสจะขายัตนะมูลกไน161อยอนุโลมปุจฉาจะขายัตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับและปัจจนีกับปุขโลกาสจะขายัตนะมูลกันในหอยอนุโลมปุจฉาจะขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับ โสตายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนะบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้มีจักรคูเกิดไม่ได้กำลังจุติจากกามาวจรภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่โสตายัตนะมิใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาตภูมิและบุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิ จักขายยตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและโสตายตนาก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉาโสตายตนาของบุคคลใดในภูมิดไม่เคยดับจักขายยตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทธาวาสภูมิโสตายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่จักขายยตนะไม่ใช่ไม่กาลังดับ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 บุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้มีจักรเกิดไม่ได้กําลังจุตติจากกามาวจรภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่คานายตนะไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กําลังอุบัติในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญยตตภูมิและอรูปปภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและคานายตนะก็ไม่เคยดับ ปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูม mm ิใดไม่เคยดับจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้กำลังจุตีจากรู ป, ปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่จักขายตนะไม่ใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้กำลังอุบัตในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัตอยู่ในอัตัญัตตภูมิและอรูปภูมิ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 บุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทธาวาตภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิจะขายยตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและมะนายตนะก็ไม่เคยดับปฏิรมปุจฉามนายตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับจะขายยตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิตัชนา บุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทาวาตภูมิมานา ย, ยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่จักขา ย, ยตนะไม่ใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาตภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิมานา ย, ยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและจักขา ย, ยตนะก็ไม่ใช่กำลังดับอนุโลมปุจฉาจักขา ย, ยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับ ธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้มีจักรกเกิดไม่ได้กําลังจุดติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่ธรรมายตนะมิใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาตภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและธรรมายตนะก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉา ธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับจกขายายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กาลังดับใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทาวาตภูมิธรมมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่จะขายายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาตภูมิธรมมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและจะขายตนะไม่ใช่กาลังดับ จักขายตัตนาโมลกนาอจบคานายตัตนาโมลกนานึ่งอยหกสอนุโลมปุจฉาคานายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับรูปายัตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิชนะัชรณาบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิ บุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังจุดติจากกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในรู ป, ปวาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่รูปายตนะไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทาวาสภูมิและอรูปภปูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมนั้นไม่ใช่กำลังดับและรูปายตนะก็ไม่เคยดับปฏิโดมปุจฉา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 จากกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่มานายตนะมิใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาจภูมิและอสัญญัตตภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและมานายตนะก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉา มานายัตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับคานายัตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานายัตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับธามายัตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กาลังอุบัติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังจติ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 ใช่คานายตนะมูลกนัยจบรูปายตนะมูลกนัย164อนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับมนาายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในอรู ป, ปภูมิ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่มนาายตนะไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาตภูมิและอสัญญตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและมนาายตนะก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉามนาายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้กำลังปร nee ินิพานในทุทาวาตภูมิและบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญาัตภูมิมนาญตนาของบุคคลเหล่าน hmm. ั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่รูปายตนะไม่ใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาตภูมิและอสัญญาจตภูมิมนาญตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูม mm ินั้นไม่เคยดับและรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับอนุโลมปุจฉา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 บุคคลผู้กําลังอุบัติในสุธาวาสภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและรูปายตนะก็ไม่ใช่กําลังดับ 16.5 อนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลทั้งหมดคู่ผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กําลังจุตติ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 บุคคลผู้กําลังปรินิพานในสุทาวาตภูมิธรรมายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่มานายตนะไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาตภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและมานายตนะก็ไม่ใช่กําลังดับรูปายตนามูลกนยัยจบ